ขอความเจริญในธรรมที่มีแต่ท่านผู้ฟัง ท, ทั้งหลายเชิงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพะสูตร์ในอุทานในขุตรกรนิกายอุทานแต่ว่ามีข้อความที่เชื่อมโยงมาถึงมหาเปรีภารในสูตรในตอนที่ว่าด้วยการปรงประจนมายุสังขารของพระพุทธเจ้า ต่มีข้อความที่ต่อเนื่องกันมากับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นทาง6จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะใหญ่ๆก็ผมจะ4จังหวัดนะครับเป็นพังงากระบี่พกกิตรระยองส่วนสังกาสตูนเรื่องเล็กน้อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็คือความสูญเสียด้วยกัน หรือพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงสแสดงสืบเนื่องมาจากการปรองระชนมายุสังขารของพระองค์นั้นในการสะท้อนคติธรรมในแนวของทุกขสัจพิรลักษณซึ่งทุกขสัจเป็นความจริงที่แท้จริงเป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแต่ว่าคนเรา ไม่พยายามยอมรับความจริงในบางกรณีคือบางกรณีก็ยอมรับนะฮะแต่ยอมรับโดยขาดปัญญาที่รู้เท่าทันถึงความเป็นจริงวันเรื่องทุกขสัตย์จึงเป็นคำสอนในแนวที่เรียกว่าเป็นปริญาตปธรรมคือธรรมะที่เราจะต้องกาหนดรู้ถึงสถานะแท้จริงของ หลังขาทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจริงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามแล้วก็เป็นนามธรรมรือรูปธรรมก็ตามถ้าเราสังเกตว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่จริงตัวความเนี่ยมันเป็นนามธรรมนันเป็นการกล่าวถึงสภาวะธรรม ก็ไปเกิดขึ้นที่ไหนก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดมันจึงเรียกว่าสา ม, มัญลักษณ์คือลักษณะที่เสมอเหมือนกันหมดในสรรพสังขารทั้งหลายแต่ว่าเราทําใจไม่ค่อยได้ในกรณีที่ความแก่ความเจ็บความตา ย, าตายการแพ้พลาดเกิดขึ้นแก่เราและก็คนที่เรารัก แว่าเเกิดขึ้นแก่คนอื่นน่ะคนบางพวกเขาดีใจนะคือนึกถึงภาพของคนที่กล้องโทรทัศน์เขาถ่ายทอดออกมาให้เห็นคือไปหยิบสวยทรัพย์สินเงินทองของโรงแรมบ้างของบังกาโลบ้างของผู้ที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยบ้าง มันเป็นมาตรวัดสภาพจิตของมนุษย์อย่างรนะคือตัวนี้มันชี้วัดความเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษย์ชี่บกพร่องคือการเพราะเห็นของของบุคคลอื่นที่ลืมเอาไว้ก็ดีหรือว่าตกล่นก็ดีหรือเจ้าของก็อาจจะตายไปพระอุบัติเหตุต่างๆ อย่างคราวหนึ่งที่เครื่องบินตกที่แถวสุพรรณบริษัทอะไรเคียดนะ้าออนด้าเลยเนี่ยก็มีคนไปหยิบฉวยทรัพย์สินไปยุยแย่งทรัพย์สินกันเยอะแล้วภาพเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่สลดใจนะฮะในฐานะที่เราเป็นคนไทย เพราะว่าแล้วโดยหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์มันควรจะสำนึกบ้างคือความโลภเนี่ยเป็นอันต ร, รายของทุกทุกเรื่องเราจะส่งแสดงว่าโลภธ ร, ททรมามนังปริปันโถวความโลภเป็นอันต ร, รายของสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามถ้าความโลภไปจับปั๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทั้งสิ้น เพราะการเห็นทรัพย์สินในลักษณะนี้โดยปกตินี่คนที่มีจิตปกติเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกอาสาสมัครของมูนิชิทั้งหลายเนี่ยตามปกติแล้วคนเหล่านี้จิตใจเขาค้ามาตฐานเนเขาจะเก็บเอาไว้ให้แก่ญาติน้องของผู้ที่ตายหรือผู้บาดเจ็บอะไรก็ตาม แล้วก็มีบางพวกที่แหลมแหลมซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของมูลนิธิแต่เป็นเรื่องของคนเลวบางคนในที่เหล่านั้นเขามหยิบช่วยเอาหน้าเฉยตาเฉยนะฮะนั่งจักรยานไปสบไปสบมาไปเห็นกระเป๋าก็รือ้อขวานทุกคอนทุกโอ้แสงงัดอะไรแต่อะไรต่างๆเขาออกมาจนได้ เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเขาก็มีทายาทเป็ลูกหลานของเขาคือทรัพย์สินถ้าไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่นเราไม่มีสิทธิไปหยิบสวยไม่ว่าจะโดยลักษณะใดก็ตามันระถ้าเห็นทรัพย์สินแล้วก็เกิดสงสารเจ้าของ าวิธีนำไปคืนให้เขาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมันเป็นมาตรวัดของความเป็นมนุษย์เว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงสัตว์โลกที่มีเหตุมีผลสัตว์โลกที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หรือตอนช่วงสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ย โดยการสนับสนุนของพลเอกเสรีผุกมานกับนายชัยศรีปฐุมก็สนับสนุนให้ตมาทำเทปเรื่องเป็นซีดีนะฮะเป็นซีดีเรื่องวิธีทางแห่งความเป็นมนุษย์ วันในไม่ได้บอกว่าตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะว่าคำามนุษย์นั้นเป็นภาษาในพระพุทธศาสนาก็ที่จริงเป็นเรื่องศีลธรรมจัญญาโดยปกติธรรมดาของคนที่มีสมดุลพอสมควรเนี่ยฮะเราเป็นมนุษย์ได้แล้วแต่ว่าอะไรเขาเรียกหนทางไปสุดมา้าการเวลาไปสุดคน ว่าในการเห็นสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์จิตของมนุษย์ว่าคุณคงความเป็นมนุษย์ไว้ได้หรือไม่เราได้ข่าวพวกเด็กๆพวกดาราหนุม่มที่เขาไปช่วยพวกหมอแกนพวกอะไรจะได้เราฟังเราชื่นใจนะฮะเออเด็กเหล่านี้อายุก็คน้อยคนละยี่สิบกว่าแต่ว่า พฤติกรรมความคิดอ่านปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในยามที่มีภัยอันตรายเนี่ยคือก็มีความทัานึกรับผิดชอบเขามีความเมตตากรุณาเขาเสียสละตัวเองช่วยเหลือเกือกูลแก่คนมอแกนนะพวกชาวเลก็เรียกวพวกชาวเลแล้วก็เสียสละอย่างสูงแล้วก็ชื่นใจ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ที่จริงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาะะแต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าจริงๆมันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าความเป็นจริงของชีวิตมันเป็นยังไงมันตกอยู่ในกฎของไยรลักษณ์คือไม่เชื่องเป็นทุกเป็นอัตตา แต่ว่าที่เป็นปัญหานี่มันเป็นปัญหาในสี่เรื่อง ใ, ใหญ่ๆเพราะความจริงของโลกที่แท้จริงของโลกนั้นเป็นอย่างหนงแต่ว่ามนุษย์ไปคิดอย่างหนึ่งไปกำหนดหมายเอาไว้อย่างหนึ่งพี่พเจ้สาสงใชยคาว่าวิปัลานก็คือคลดเคลื่อนจากความเป็นจริงความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามนุษย์มองอีกอย่างหนึ่ง และีสุดก็เกิดหลงตัวความจริงแล่านั้นอย่างที่รับสั่งแสดงไว้ว่าเวทาปัสสะที่บางโล ก, กังจิตตังราจะระถูปะมังยัตถะบาลาวิสีดันตินติสังโฆ ว, วิชาณตังเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันต ร, รการดูราชรถที่ผู้คนเขาค้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค้องอยู่ไม่ หมายความมันโลกใบเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่เข้าถึงความจริงจะหลงโลกจะยึดติดอยู่กับโลกเพะันเธอจะรู้สึกสูญเสียเมื่อการประสบกับความแก่ความเจ็บความตายการพัดคลาดพัดพลากจากสิ่งพัดพลาดจากสัตว์พัดคลากจากบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองสูญเสีย โดยไม่ได้เข้าถึงความจริงว่าแม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตเนี่ยมีอย่างนี้เป็นธรรมดาถ้อทำใจไม่ได้ใจก็เดือดร้อนจากความรักษาสิญเสยอยู่เจ้าเคยรับสั่งเปือนผู้สหายของนางวิสาขาที่มัวสนุสนานเพลิดเพลินชื่นชมยินดีดูด้วยการดื่มนะ เ, เจอผับ เ, เจอบาเจอครับอะไรต่งตางๆในปัจจุบันแล้วก็แหมมันไปกันใหญ่เลยนะไปกันสุดๆแล้วเป็นเรื่องพูดยากทั้งหมดรับสั่งว่าโกนุหาโสกิมานันโดนิจังปัจจริเตสตุอันตากาเรนะโอนัธาปฏิปังนั ก, กเวสตุเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่า ในเมื่อโลกกระสันนิวาตเนี่ยมันลุกโครงอยู่ตลอดเวลาเธอผู้ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้เนี่ยทำไมไม่แสวงหาประที่เป็นเครื่องส่องทางให้แก่ชีวิตเพราะเราอยู่กับโลกเนี่ยถ้าเราหลงโลกเราไม่เข้าใจโลกลก็ยึดติดอยู่ในโลกและจะเศร้าโศกเมื่อสูญเมื่อรู้สึกว่าตนเองสูญเสีย จะชื่นชมยินดีเมื่อรู้สึกว่าตัวเองได้ที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้ววัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเราไม่ได้จริงแล้วก็ไม่เสียจริงเพราะสมมติว่าสิ่งที่เราได้เราก็ต้องเสียเราต้องพ ร, รากจากเขาหรือเ็ต้องพ ร, รากจากเราไม่มีการอยู่ร่วมกันช่วยกัน แต่ว่าใจคนก็ไปปักใจฝังใจแล้วไปเข้าใจสิ่งไม่สวยงามว่าสวยงามสิ่งที่ไม่เท่งแท้แน่นอนอะไรเลยว่าเท่งแท้แน่นอนสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่เป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนก็ทาให้นึกถึงถึงคลนสึนามินะ คือถ้าฟังที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายมันแสดงว่าธาตุสีเนี่ยวิป ร, ริตมันก็เกิดเป็นธาตุพอที่ห้าด้วยแหละ้าอากาศธาตุด้วยแหละแต่ว่าที่ชัดเนี่ยคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมมีชัดเจนนะฮะเป็นไฟมันก็แน่นอนแหละตอนระเบิดมันก็ต้องมีไฟก็สรุปรดินน้ำลมไฟมันเกิดวิป ร, ริต เราก็ทรงกระลักที่แผ่นดินไหวแปดประการที่พระเจ้าทรงแสดงว่าลมมันกำเริบมาความมาธาตุทั้งหลายแปรปรวนวิปริตมากมันก็มากนะเหมือนกับในร่างกายเราเนี่ยถ้าธาตุมันแปรปรวนวิปริตสักอย่าง ก, ยงก็ยุ่งปวดหมดอนะเอาพร้อมๆกันก็ร อ, อยากวันสิ่งเหล่านี้เอาก็จริงแล้วมัน เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างดีนะฮะที่เรายอมรับว่านี้คือภัยธรรมชาติแต่ว่าก็อดโทษกันไม่ได้าีนี้ถ้าเรามองลึกซึ้งจริงๆเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ตัวใครไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตรงมึดึกมึถึงกระ บ, บวนการนะว่า เอาไว้เต็มยศเต็มที่ที่รู้กันสื่อสารกันได้ติดต่อประสานงานกันได้เนี่ยของกรมบุตรทั้งหลายเนี่ยศูนย์ประสานงานตัวเนี้ยต้องลงทุนเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายเยอะแล้วต้องเพิ่มอัตรากำลังเพิ่มค่าใช้จ่ายมันก็ต้องช่วยกันเสียภาษีอยาหลีกเลี่ยงจะบิ๊กฟิวมันไปโน้นเลยนะฮะมันต้องกลับมาที่โน้นเลย ว่าเมื่อเราต้องการใช้จ่ายมากเราก็ต้องลงทุนมากประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลมาจากกระบวนการเขาเหตุปัจจัยไม่ใช่อะไรก็ด่ารัฐบาล่ารัฐบาลมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกเปนปัญหาที่เราต้องยอมรับความจรงิงแล้วก็ดีที่ยอมรับความจริงกันมากกว่าสมควรจริงๆอันนี้มันก็คือคืออะไรล่ะ คือทุกข์กระสับเราเห็นว่าดินน้ำลมไฟคือทุกข์กระสับเรคือสังขารร่างกายพระพุทธรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นทุก่อสัตว์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรับสั่งในชั้นแรกเนี่ยเป็นรับสั่งเป็นภาพรวมว่าคนเราใดทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ทั้งผ่านทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนคือไม่ได้พูดเป็นแยกประเภทอะไรแยกตามวัยหรือแยกตามสถานะสถานะก็เป็นคนรวยกับคนจนนะแล้วก็วัยก็คือเด็กผู้ใหญ่แล้วก็กลางๆส่วนมากเราจะพดูดโดยความประพฤติก็คือคนเลวกับคนดี นะโดยสถานภาพจะโดยวัยเนี่ยจะวัยเด็กวัยกลางวัยผู้ใหญ่ก็อย่อยกันไปแล้วก็โดยพฤติกรรมโดยการการประพฤติก็มีคนเลวกับคนดีในโลกนี้มีคนผ่านกับบัณฑิตที่โดยสถานะทางเศรษฐกิจกทางสังคมก็คือเป็นคนรวยกับคนจนและที่มันเหมือนกันเนี่ยล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า ความตายรอท่าอยู่ทุกคนเงยว่าแต่เพื่อแต่ว่าตายเมื่อไร่ตายที่ไหนตายอย่างไรนะตายโดยวิธีใดแต่ว่าก็คือตายนะะคือตายเอาก็จริงเราก็ตายตรงไหนก็ได้ก็ออยังบางครั้งบางคราวเนี่ยคนเขาเป็นห่วงเช่นว่าไปต่างประเทศเนี่ยคนก็เป็นห่วงว่าเครื่องบินจะตกทะเลอะไรแต่ไหนบอกก็เออที่จริงก็ดีนะตกทะเลน เราก็ได้สละสังขารร่างกายเป็นอาหารของสัตว์ไปด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเป็นภาระไปจัดการชาปนกิจศพอะไรให้แกเรามันก็คือการ น, นั่นแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไปคิดอย่างนั้นนี่แล้วเราคิดเราเมื่อธรรมดามันก็คือธรรมดา ทรงสอนในพิจารณาว่าชราธรมม์ผิจทางอนาติโตเป็นทุนเนี่ยอภินหาปัจเวขณะมันก็สอดคล้องกับเรื่องตัวนี้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บ่ายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไายไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลาดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปตันนี้น่าสังเกตไหฮะ ว่าทำไมไม่ให้พิจารณาว่าเราจะต้องพลาดพลากจากของคนสัตว์สิ่งที่เราไม่ชอบไปเพราะว่าเราพลดพลาดจากคนเหล่านี้เราไม่เสียใจเรามีใจปัญหาต้องการจะเข้าถึงความจริงเพื่อบรรเทาความโศกที่รู้สึกว่าตัวเองพลาดพลากสูญเสียจากสัตว์สิ่งมันเป็นที่รักจะเรียกว่า เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจตามปกติจะทรงใช้คำว่าอิฐากรตามนราปาเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่คร่เป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจแต่ถ้าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยทีเราก็ดีใจนะคนทั่วไปก็จะดีใจแต่ว่าคนที่มีหลักธรรมะอยู่ภายในใจถึงแม้คนที่เป็นศัตรูเราตายเราก็ไม่ดีใจ คือเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากกว่ามันก็ตุ้นเตือนเขาก็เป็นครูเหมือนกันก็บอกเราเหมือนกันนะแค่แค่กับอฉันไปก่อนนะเราจะรักหรือจะชังกันก็ตามมาหลังเธอก็ตายนะฉันก็ตายแหละวือยังชอบอะไรดาราละคร น, นักร้องด้วยนะตอนนี้รู้สึกอย็กเป็นเรื่องชื่อในในอ้นอะไรสรรายุทธ์เลเราวุดหรือสลายุทธเนี่ย ที่แกไปช่วยพวกหมอแกนเีแกบอกว่าเราอย่าทะเลาะ ก, กันเลยครับไม่รู้จะทะเลาะ ก, กันไปทําอะไรเราต่อสู้กับไฟกับธรรมชาติก็ย่าแย่แล้วอตัวไม่จะไม่รอดแล้วม า, มาคนมาทะเลาะ ก, กันอีกแล้วพวกสามจังหวัดพักได้ที่ก่อควนอยู่นะฮะเฉพาะพวกกอกวนนี่คิดบ้างก็ดีนะนั่นก็หลือเกินอื่นเขาเดือดร้อนกันเราก็อย่างถือรายค่าคนกันอยู่เนี่ย เราก็คิดกันยังไงเหมือนกันพวกเราเนี่แล้วก็ส่งออกมาเทียบเคียงว่าพัฒนาดินที่ช่างห ม, ม้อทํำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันพูดถึงพัฒนาดินเนี่ยคนระัท่านที่เคยไปประเทศอินเดียคงเจอพัฒนาดินเล็กๆที่เป็นถ้วยชานะ่ เขาไม่ได้ผูกไฟนะไม่ใช่ตากแล้วก็ดื่มทีเดียวก็โยนทิ้งมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ต้องการสร้างงานให้กระจายแรงงานออกไปก็คนที่ปั้นพัชนาแล้วเนี้ยใช้ฝีมือก็ไม่มากแต่ว่าเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็สอนชัดเจนว่าชีวิตมันก็คล้ายๆพัดะนาดินที่จริงมันเปราะบางมากกว่านะให้ลองสังเกตว่าญาติพี่น้องที่ตายไปเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้นะจริงจริ ง, รงเราไม่รู้นะฮะถึงแม้จะเบ็ดเสร็จแล้วอย่าลืมคนที่หายนะคือยังนึกว่าโคลนมันขึ้นมาสูงเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยบางส่วนหนึ่งมันก็ถมอยู่ใต้ดิน ไม่รู้จะขุดยังไงเป็นความสูญเสียที่ที่นับจํานวนไม่ได้ประมาณการไม่ได้มันจะมีคนที่ที่หาไม่เจอเนี่ยจะมีเยอะอาจจะอยู่ใต้ใต้โคลนอยู่ข้างในนะฮะโคลนเลยมันขึ้นมาแล้วมันดึงคนลงไปหรือไปหมกอยู่ข้างล่างเนี่ยาอาจจะมีเยอะเลยก็มันสูญหายมา ก, กเลยเด็ดถ้าให้เห็นว่าพัฒนาดินที่เทียบกับชีวิตที่ทรงเทียบตัวเนี่จะชัดมาก มันแตกง่ายมันเปราะ บ, บางมากชีวิตเราแต่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตคล้ายๆกายสิทธิ์ทำอะไรอาวอยวายโครงครามรุนแรงแคล้ายๆตัวเองจะอยู่ข้าฟ้าจะอยู่ตลอดไปทั้งๆที่ชีวิตเนี่ยมันเปราะ บ, บางมากเบิดแผดพ่ายชนะดินชนิดที่ไม่ได้เผาไฟเดียวทำไปนะแต่เผาไฟก็แตกนะ นี่ก็ให้สอนเรียนจากพระองค์ให้พิสูจนทั้งหลายได้เรียนจากพระองค์ซึงหมายความว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเห็นพระพุทธเจ้าส่งพระชราพระสั่งเองเราดูถ้าเราดูว่าพระอานนท์นี่จะแข็งแรงกว่าดูแลพระพุทธเจ้าก็สรงพระชราลงไปทั้งๆ ท, งที่ประสูติพร้อมกันนะฮะ พระนอนุลณ์หลวงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสตราจารยกันแต่พระอนุลท่านไม่ทํางานหนักไม่เคยผ่านงานหนักนะหลวงพ่อตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงงานหนักแล้วก็ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นโลกิยะนะเป็นดินน้าลมไฟอากาศมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็เหนื่อยมันก็เจ็บมันก็สซึส้ง ถ้าเราไปดูว่าหมอชีวะเคยปรุงยาระบายถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยถ่ายตั้งสามสิบกวครั้งไยคือประทับดั่งนี่แขกไปแขกมาทยอยมาทยอยไปทยอยมาทยอยไปเนี่ไม่ได้พักผ่อนพระดังๆนี่จะเจอนแนวนี้เยอะเลยแต่ผลสุดท้ายนี่จะสุดสมูมที่แปลกก็คือพระเราไปดังตอนแก่นะ ร่างกายก็ไม่เคยไหวแล้วก็ดดังตอนนั้นอาจารย์คูนี่เข้าโรงพยาบาลนานนะตอนนี้เลยจะหายก็ไม่ถูกรัศดังว่าวัยของเราแก่งหงอมแล้วชีวิตของเราเป็นของน้อยคือข้างหน้าเนี่ยมันน้อยคือเราบอกอายุมากแต่จริงอายุน้อยนะเราเราเราก็บอกสาวน้อย สาวน้อยที่จริงสาวมากหนุ่มน้อยนี่ที่จริงหนุ่มมากเบนอายุมากนี่ที่จริงอายุมันน้อยอายุข้างหน้าเนี่ยมันน้อยเบนก่อนก็มีศัตว์เป็นลูกพูดน้องก็เขาไปทำงานเกี่ยก็การข่าวในทางภักกายมาเยี่ยมก็สอบถามว่าอายุเท่าไหร่แล้ว บอกว่า 21, ยี่สิบเอ็ดยังอีกยี่เอดเดือนจะหกสิบก็เรียกว่าคือข้าราชการเนี่ยมองชัดนะมองได้าอายุข้าหน้าเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่วางคนก็ตั้งหลักไม่ได้เหมือนกันมันรับสั่งว่าชีวิตของเราชีวิตคือความเป็นอยู่เป็นของน้อยเราจะละพวกเธอไป เราทําที่พึ่งแก่ตนแล้วตัวนี้เป็นการกระตุ้นเตือนนะว่าปัญหาการดำรงอยู่ของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เราเมีอายุเท่าไหร่แต่ว่าในขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยเราได้ทําที่พึ่งแก่ตัวเองแล้วหรื อ, อยังที่พึ่งคือบุญคุศสนซึ่งเป็นเกาะเป็นเสบียงเป็นที่พึ่งสำนักเนี่ยวาธีการบัตธรรมะทั้งหลายนีย่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งก็งเรา การประกาศตนถึงประตัตนตรัยแล้วก็ไปบัดตนในผสมกลมกลืนในคุณของพระรัตนตรัยสามารถสะท้อนบัญญาความไมสุดความการุณาได้ออกมาระดับที่พอสมควรอย่างน้อยก็ระดับสินธรรมัญญาเรถือว่ามีที่พึ่ทีนี้เรามาดูพระธรรมเทศนาที่ย้ำเตือนนะฮนะเป็นคำสั่งเหมือนกับพ่อสั่งลูก เยงแต่ว่าเป็นศาสดาสั่งพุทธบริษัทสั่งสาชนิกหมายความว่าเราทุกคนก็ได้รับคาสั่งตัวนี้ด้วยเป็นมรดกธรรมที่มอบให้ให้มองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคบว่าภิกษุทั้งหลายในที่นี้แน่นอนผู้ฟังในขณะนั้นเป็นภิกษุแต่ภิกษุหมายถึงผู้เห็นภัยในสังสารวัวันถ้าใครเห็นภัยในสังสารวัฏก็ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ แต่ถ้าไม่เห็นภัยในสังสารวัรอย่างมัวมัวประมาทแม้บวชครองเพศเป็นเป็นนักบวชก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุในความหมายตรงนี้อาจจะเป็นภิกษุในรูปแบบมันก็เป็นได้ก็หมายถึงพุทธะเปียดสังหรณพวกเธอจงไม่ประมาทและย้ำนะไม่ประมาทก็มีสติในที่จริงไปดันเดียวกันทงย้ำทั้งสองคำ ไม่ประมาทแล้วก็มีสติในแนตรงนี้ในภาคปฏิบัติคือเรามีความรู้สึกคล้ายๆกับความไม่ประมาทคือถ้าเราดูนะฮะดูว่ามันเป็นอาการของความมีสติแต่เช่นว่าไม่ประมาทในการละทุจริตทางกายทางวัชจารใจละทุจริตทางกายทางวจารใจ แสดงว่ามีสติระลึกรู้เป็นคุณโทษโทษของทุกขจริตแล้วคุณของสิทธิผไม่ประมาทในการลาความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องตัวแสดงเห็นโทษของความเห็นผิดแล้วเห็นคุณของความเห็นชอบเป็นสติระลึกแต่สติโดยสัมผัญญาด้วยนะทีนี้ความไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเนี่ยเป็นสติเตือนให้เห็นว่าชีวิตเนี่ย ประมาทไม่ได้แต่ว่าถึงจุดจุดหนึ่งเราจะเห็นอาการสติตที่ชัมากเจนว่าระวังจิตอย่าให้กำหนัดในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความกำหนัดอันนี้ชุดหนึงสี่ข้อนะคระวังจิตจะให้ขัดเคืองในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังจิตจะให้หลงในอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความหลงระวังจิตจะให้ประมาทในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็สงใช้คําคซ้อนกันไปเลยนะคร ก็อมีไม่ประมาทแล้วก็มีสติมีศีลดีเถอะมีศีลดีก็คือหมายความว่าศีลมันมีความปกครองอย่างที่บอกอยู่เสมอเราเจอเรื่อยมันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะคือคือไม่ใช่ไม่ใช่พูดซ้ำแต่ว่าหลักธรรมเขาเป็นอย่างนั้นเนะี่ยอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันเหมือนกับข้าวเหนียวนะฮะเราจะมุ้นข้าวเหนียวเราจะทําอาหารไทยไม่ใช่ของหวานไทยนะ ของอันไทยจะอะไรก็ตามมันจะมีข้าวเหนียวมันจะมีกะทิมันจะมีความหวานอยู่ทุกแห่งอยู่ทุกงานขนมสามพันกว่าชนิดเราเจออย่างนี้ทั้งนั้นวันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะหละักเรพูดกันบ่อยเราขายกษัตรคย์ขี่ในหลวงรับสั่งย้ำยังนึกว่าเป็นพันครั้งนะเป็นพันพันครั้งได้สักไปแล้วเราไปดูที่บ ร, รมราโชวาส ของพระบาทสําเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิมพ์ไว้ในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเรามาเช็คดูแต่ ว, ว่าพูดเรื่องความไม่ประมาทเรื่องเรื่องความสมัครยีกี่ครั้งนี้จะเห็นว่ามากมายเลยก็เรายัางทะเลาะ ก, กันด้วยตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะตอนกู้ภัยที่พักได้เนี่ยเขาส่งเน้นที่ความสามัครยี่วทั้งเสียสละทั้งสมัครยีแล้วก็มีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะเขาครบกั น, นะ เราอย่าลืมว่าบางทีเราเชื่อคนอื่นแต่เราอาจจะเป็นอันตรายเป็นการติดเชื้ออะไรต่างๆนี่ต้องเรามัดระวังตั้งแต่รองเท้าถุงถุงมืออะไรแต่ไรจมูกเสื้อผ้าอะไรแต่ใดสารพัดนะิธีการแล้วก็เป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นด้วยดีคือสมามรถสังกัปปะ สมาธั้งกะปะให้เริ่อนใอย่าลืมมันสมาธทั้งกะปะเป็นปัญญาะฮะแล้วถ้าท่านฟังลองสังเกตว่าตรงนี้จริงๆเราคงเน้นที่ศีลสมาธิปัญญาเน้นที่ศีลสมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีความดําริตั้งมั่นด้วยดีก็คือดําริดําริในสี่เรื่องในสามเรื่องไนงะในสามเรื่องดำริตในการจะดึงกายดึงจิตออกจากกาม สกำลิในการไม่อาฆาตพยาบาทกำลิในการไม่เบียดเบียนก็เป็นอาการของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคืออย่าให้ใจถูกครอบงาโดยความโลภโลกรธหลงวิงสาคือความคิดเบียดเบียนเนี่ยยังนึกไม่ออกนะเป็นห่วงโลกเป็นห่วงสังคม คื อ, อยังนึกขื่นชมพลเอกเสรีพุกม่านว่าเขาเอื้ออาทรหุ่มใหญ่ต่อสังคมแต่มีกิจกรรมที่เป็นกุศลนี้เยอะมากมาเหาวิทยาลเองก็มีกิจกรรมที่เป็นกุศลหลายเรื่องคือสังคมถ้าไม่เอื้ออาทรกันไม่ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีสร้างจิตสํานึก ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเนี่ยคนจะต้องสำนึกเองนะฮะคือเราไม่มีทางจะทำอย่างอื่นได้หรอกเธออาจจะเรียนจบอะไรมามากมายแก่กองแต่ว่าเธอเธอคิดผิดเดี๋ยวก็จบแล้วลองฟังคนบางคนคิดน่ากลัวนะฮะสมัยเศรษฐกิจฟองสบูนถ้ามาเจอคนเยอะเราก็พยายามพูด เขาบอกอาจารย์ถ้าไม่โกงไม่รวยหรอกถ้าอยากรวยต้องโกงแต่พูดหน่าเชื่อต่เชื่อทำพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยก็พูดจริงอยู่วมพูดน่ากลัวคือถ้าความคิดอย่างมากไแบยอย่างนี้มันรอดยากอ่ะเพียงมองถึงแม้จะในเวทบวงของภาศ า, าสาัญญา ความดั่งรีในการที่จะได้ยหตกามณ์เรียร์ไรอะไร ต, ต่างๆเยอะเหลือเกินแล้วก็ทํากันแบบชาวบ้านะเป็นแข่ชั่นแข่งทํายอดกันกรเจนกันทํายอดกันเป็นความดั่รีผิดนะคเป็นความดั่รีผิดแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมัน เรคิดผิดมันก็มันก็ผิดหมดต่ะเราคิดผิดก็เห็นผิดวความคิดกับความเห็นเป็นอันเดียวกันคิดผิดก็เห็นผิดเห็นผิดก็คิดผิดเราคิดอยากที่เราเห็นที่เราเห็นตามที่เราคิดแล้วแต่วันสมาทั้งกับปากับสมาธิิตนี่เขาเป็นอันเดียวกันและจงตามรักษาจิตของตนเถอดการรักษาจิตก็คือเจริญสมาธินะ แต่เราเห็นว่าตัวที่รักษาเนี่ยมันเป็นอาการ ส, ail, ส, Dawn, ส ETF, ังวรมันจะใช้แนวศีละสังวรก็ได้นะฮะอินทรียสังวรอินทรีสังวรก็เป็นสมาวิมารแล้วเดี๋อยู่ในจิตติสิกขาแล้วแล้วขันติสังวรญาณสังวรก็แล้วแต่สมมูลด้วยความรู้ก็ได้สมมูลในขันติก็ได้สมรวลในสติก็ได้นะและในสุดก็ส่งสรุป ในที่สุดก็ทรงสรุปว่าผู้ใดจกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมบินในนี้เพราะว่าธรรมบินในนี้ก็ไม่ประมาทในพูดง่ายๆจริงๆคือละชั่วก็พึ่งดีเราจะต่อได้ทำจิตได้ผ่องแพ้วหรือไม่ผ่องแผวก็ตามนะฮะคือถ้าพฤติดีสมบูรณ์ก็หมายความว่าจิตต้องผ่องแพ้ว หรือบางครั้งเราพูดว่าทาจิตได้ผ่องแผ้วเนี่ยจิตจะผ่องแผ้วไม่ได้เลยถ้าบาปยังไม่หมดความดียังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันผ่องแผ้วไม่ได้คำทั้งสามคำนี้ที่จริงก็คือจิตที่ผ่นะองแผ้วเป็นเป้านะฮะจิตผ่องแผ้วมันเป็นเป้กกากุี้เป็นวิธีการเป็นหลักการเป็นวิธีการในทางปฏิบัติการแล้วก็จะอยู่ในกระของศีลสมาธิปัญญา ความไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมะที่เน้นมากๆากโดยเช่นว่าตอนที่ปรุงประชนมยุสังขานก็เน้นที่ความไม่ประมาทวันนี้ก็เน้นที่ความไม่ประมาทอีกย่ะแต่ว่าถ้าถามแม่ชาพุทธเป็นยังไงเชาพุทธประมาทแค่ไหนก็ตอนนี้กําลังคิดว่าจะาำหนังสือสักเล่มหนึ่ง ยังเกี่ยวกับบทเรียนจา ก, กอดีตจริงๆก็ทําไปแล้วนะแต่ว่ามีเรื่องทําไปเยอะเลย ม, มีงานเอกสารนี่ต้องทํามากเราทาให้ทันแต่ปัญหาว่าทําไปแล้วมันมันต้องพิมพ์เผยแพร่ต้องมีคนอ่านปัญหานี้เรารับปัญหาเต็มชีอะนะฮะแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งก็หาคนอ่านยากขี้นคนไม่เคอยอ่าน ทั้งทงที่ข้อความเหล่านี้ที่จริงก็มีอยู่แม้ในหนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานี่ก็เคยพูดเรื่องเหล่านี้ไปเยอะเคยชีย้เห็นจุดประมาทต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของพุทธศาสนานแล้วในทางในเนี้ไม่ไม่ไม่ประมาทต้องธรรมทั้งหมดหมายความต้องมีการศึกษาต้องมีการปฏิบัติ แล้วต้องได้รับผลระดับศีลระดับสมาธิระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาตามทุกควรแก่ฐานะที่จะรับได้นะแล้วก็เกิดการเผยแผ่การเผยแผ่นี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คณะสงฆ์ต้องชิดใหม่ต้องปรับบทบาทแล้วก็ต้องมีวิธีการที่ทํางานในเชิงรุกต้องมีส่วนร่วมรัฐบาลเองต้องมีความเป็นสมาธิฏิ เรื่อนี้สวเขาสอบถามมาวันก่อนและถามไปที่กรมการศาสนาว่าทําไมจึงไม่อยู่ราชการวันวันพระวันโกนบกเาเคาหยุดมาแล้วรัฐบาลประชาธิปไตยนี่แหละมาเปลี่ยนโบราณเนี่ยเขาเรียกวันโกนก็ละวันพระก็เวน้นบางคนในยุคหนึ่งมันเสือเส่อมเสื่อมชินธรรมเขาบอกวันโกนไม่ละวันพระไม่เวน้น การหยุดวันพระวันโกนก็ห ย, ยุดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลน่นในสมัยพุทธกาลนี่วันโกนนี่ไม่มีโรงค่าสัตว์ไม่ค่าสัตว์วันใครจะไปแกงเนื้อสัตว์ในวันโกนกับวันพระเนี่ยไม่ได้ไม่มีไม่มีขายในท้องตลาดเราไม่ค่ากันหรือเขาหยุดเพื่อทําความดีนะ่ะเราก็หยุดให้กันไปเที่ยวเลยมันก็คิดเยอะนะ คือสังคมยังต้องช่วยกันเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างนี้ระบบการจัดการศึกษาเนี่ยระรบบการให้ขุณให้โทษเนี่ยเรามาฐานทางจริยธรรมเนี่ยเป็นเกณฑ์เรามองไม่ลึกเองนะว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการบกพร่องทางจริยธรรมแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาธารณภัยเนี่ยสรุปรวมเป็นสาธารณภั ย, ยแล้วก็ปัญหาความกลมกล่อมเวลาจริยธรรม จนถึงกับมีอะไรเด็กเด็กที่เขาเก่งนะคนนี้ก็พูดเก่งเขาบอกพระเจ้าลางเกาะเป็นการคิดของเด็กลูกครึ่งเขาไปติดอยู่ที่เกาะรู้สึกว่าอะไรอ่ะที่เป็นที่อยู่ของพวกมักแกรัสั่งว่าผู้นั้นจักราชาติสงสารแล้วทําการที่สุดแห่งทุกได้หมายความว่าสุดยอดของความไม่ประมาทเนี่ย มันละสังสารวัตรได้เพราะอย่างที่บอกแล้วนะว่าคุณลักษณะของพระอระหันต์เนี่ยมีปัญญาสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์นั้นจุดลักษณะเด่นนะเราจะเห็นว่าถ้าเราไปดูตัวองค์ธรรมนะฮะองค์ธรรมมันกิเลสทันหมดเพราะกิเลสมันรากนาเน่าจริงจริงมันเป็นอวิชชาทีนี้ถ้าปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็คือวิชามาตัวมันข้าวเาวิชา แลสะสตินี่เป็นธรรมะคู่กับวิดาเขาอยู่ด้วยกันพูดหรือไม่พูดจริงๆก็อยู่ด้วยกันบางทีเราก็พูดระ ล, ลึกรู้เพราะถ้าเขาสมบูรณ์ตรงนี้แล้วก็รับประกันผลนะเห็นไหมรับประกันผลว่าผู้นั้นจักรชาติสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์คือมุติทุกข์จากการเกิดจากการแก่จากการเจ็บการตาย นะแต่ว่าในชาตินั้นเขาเรียกวิาววบากขันเนี่ย ว, วิบากขันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแต่ว่าพอี้ผ่านแล้วเนี่ยไม่มีการเกิดเพราะนนการแก่การเจ็บการตายจึงไม่เกิดแล้วก็จากนั้นก็รับสั่งกับพระอานนท์เราเสด็จเข้าไปสู่กรุงเวสลีเพื่อบินธบาต ตอนเวลาเช้าก็รุ่ขึ้นอีกวันหนึ่งหลังเสร็จจากบินสบาาแล้วก็ทอดพระเนตรกรุงเบสาลีก็เรียกว่านาคาวันโลกแบบช้างเหลียวหลังนะเป็นภาคเขาเรียกานาคาวันโลกเป็นมองไฟสาลีเพราะว่าทรงรู้นะครพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าไฟสาลีนี่สามปีสานะบีเกิดศึกสงคราม ก็เสด็จมาจําัญชาเนี่ยก็เป็นนัยยะปกป้องไม่ให้พระเจ้าชาติูยกองทัพมาย่ายีพัชรีเดี๋ยวหลังจากนั้นสามปีพรเจ้านิพานสามปีพัชรีก็ถูกยึดนะท่านที่อ่านเส้ามคีเพศคำฉันก็คงได้อบอกพัชรีก็แตกฤชวีก็เลิกไม่ปฏิบัติตามหลักอไปหานิยธรรมพัชรีก็แตกแล้วก็จากนั้นก็เสด็จพุทธมเนินไป เอ่อมาเป็นพานสุขคงจะมาแวะสองคราวกันนะฮะคงแวะสองวันต่อไปก็จะไปศึกษาในพระสูตรในอุทานคื อ, อยังนึกว่าลองลองบรรยายอุทานได้หมดเพราะว่าจริงๆพระสูตรนี่จับตรงไหนก็ได้จับตรงไหนก็ได้ไไดเขาก็ถึงกันได้กันทั้งนั้นแหละคือธรรมะแต่ละสูตรนี่ที่จริงในภาคปฏิบัติเนี่ยบรรลุกมกผลได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตามอาจจะเริ่มตรงไหนเล็กๆก็ตามนะ แม้จะเริ่มจากสีเราเห็นว่ามันมีสีเลนะสุกนิดบูติ ง, งนติอยู่เราแสดงว่ามันเป็นกระบวนการ่ะเข้ากระบวนการแบบปลูกพืชที่ทรงแสดงว่าบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปบนพื้นดินแล้วเขาลอบยอ่ยอมรับผลของพืชชนิดนั้นคนทําความดีจะรับผลดีทําความชั่วก็รับผลชั่วตอนเสด็จเข้าไปที่หมู่บ้านพันธคามนี่คนำะก็ ได้เสด็จเข้าไปที่พันธครรมแล้วก็ที่หมู่บ้านพันธคามนั่นเองก็ได้รับสั่งแก่พิสูจน์ทั้งหลายถึงเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ก็เขาเรียกว่าอริยธรรมนะอริยธรรมทั้งสก็หมายความว่าเป็นศีลที่เป็นอริยะเป็นสมาธิที่เป็นอริยะเป็นปัญญาที่เป็นอริยะเป็นวิมุติที่เป็นอริยะ ก็พูดว่าบุญ ม, มดเนี่ยบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่แต่ที่จริงตัวหลักจริงจเนี่ยตัวเหตุจริง จ, ง จ, งจงคือศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมคือพูดไปพูดมา ก, ก็เจอศีลสมาธิปัญญากันได้นี่ก็เป็นหลักหลักที่ให้เห็นว่าถ้าเราไม่คิดวุ่นวายอะไรนะจับหลักอยู่ในศีลสมาธิปัญญากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับศีลเนี่ยระับศีลระดับธรรมะระดับ เรียกเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยเอาขนาดนี้ก็บุญเยอะแล้วประเทศไทยนี่ไหวรอดได้แล้วแต่ว่าทํำยังไงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วนั่นเองต้อฟังท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูญในธรรมยึงมีแตะท่านผู้ฟังเท่านั้นโดยทั่วกันสวัสดี